Thank you.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 ภายในใจของเราพูดอย่างนี้จะกว้างกว่านะกว้างกว่าความพูดที่ว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างดีกับชั่วภายในใจเพราะว่าแม้กระทั่งเวลาเราทำความดีอะ่ะไอความหลงก็อาจจะมาครอบงาใจได้เป็นครั้งเป็นคราวหรือว่าอยู่บ่อยๆอย่างเรามาสวดมนต์นี่ยนะสวดมนต์ก็เป็นการทำความดีนะจะสังเกตไหมสวดมนต์ไปบางครั้งเราก็หลงอะ่ะ เราก็หลงไปลอยไปที่อื่นไม่รู้ตัวเวลาเราไปวัดทาบุญนะไอการทาบุญก็เป็นการทาความดีแต่บางครั้งใจเราก็ลอยหลงไปไม่รู้ตัวความหลงนี่มันสามารถที่จะมาครอบ ง, งมใจเราได้แม้กระทั่งในเวลาที่เราทำความดีบางคนก็ทำดีจนติดดี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 ใจลอยไปสัก6ชั่วโมงหรือประมาณ80ทําเปอร์เซ็นต์ทำงานยังกิงแค่20เปอร์เซ็นต์่ะหมายถึงว่าทำงานที่ได้รับมอบหมายนะนอกนั้นใจลอยนะใจลอยไปเรื่องอื่นหรือไม่บางทีก็ไปคิดฟุ้งปรุงแต่งบางทีเจอข้อความเมสเซจอีเมลเข้าไปใจก็ลอยแล้วหลุดจากงานแล้วอันนี้เรียกว่าหลงเนี่ยมัน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 จทั่งหมดอวิชชาเนี่ยก็ยากแต่ว่าเรารู้ตัวก็รู้ตัวลําบากเพราะว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันก็พยายามแย่งชิงยแย่งชิงพื้นที่ในจิตใจของเราแย่งชิงพื้นที่ต่างๆในชีวิตของเราแถ้าเราปล่อยให้ความตัวหลงเนี่ยมันครอบงําชีวิตของเราเนะชีวิตเราก็หาความสุขความเจริญได้ยากเพราะใจแต่ใจเอาแต่จะคิด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 เรื่องราวต่างๆเอาไว้มันผ่านไปแล้วก็ยังแบกเอาไว้คําพูดคดาําด่าต่อว่าด่าทอที่คนพูดเขลืมไปแล้วว่าพูดอะไรไปแต่เราก็ยังแบกเอาไว้แบกเอาเรื่องของลูกเรื่องของญาติพี่น้องนะทั้งๆที่ไม่ใช่เวลาล่ำเวลาก็แบกเอาไว้แม้กระทั่งความเจ็บป่วยของพ่อแม่นะเรามาอยู่นี่เราก็ทําอะไรไม่ได้ช่วยอะไรท่านไม่ได้แต่ก็ยังแบกเอาไว้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 พอไปถึงเชียงใหม่ปรากฏว่าอาจารย์นะให้ไปจัดแจงให้ไปทํางานกับกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งก็ทํางานช่วยชาวเขาเหมือนกันนักสามัญรู้ความจริงมาไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ไม่พอใจนะโมโหมากคืนนั้นก็นอนไม่หลับเลยคุณคิดแต่เรื่องเนี้ใจนึงก็สูญไม่พอใจจะทํ า, าทไมตกลงแล้วไม่ทําตามที่ตกลง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 จู่ๆอาจารย์ก็เรียกชื่อขึ้นมาทักนักศึกษาแล้วก็บอกว่าคิ้วเธอตอนนี้เนี่ยนะมันโกง่งเป็นรูปธนูเลยนะอ่ะมันโกง่งเป็นรูปเป็นดอกเป็นเป็นโบเลยนะพอด้เห็นเช่นนี้นักศัสนี่รู้ตัวเลยนะว่าโกรธพอรู้ว่าโกรธนะมันหายโกรธเลยความโกรธมันหายไปเลยนะก่อน น, นั้นๆไม่กี่วินาทียังโกรธอยู่เลยนะแต่พอเป็นนักศึกษาพอเป็นถูกทักว่าเนี่ยคิ้วเธอนี่มัน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 ตัวรู้เนี่ยมันมีอ น, นิสงส์มากมีพลังมากนะมันสามารถที่จะปลดปล่อยจิตใจให้เป็นสราจากความทุกข์ได้หรือผู้อยิยานก็คือว่ามันทาให้ใจเนี่ยนะปล่อยทาให้ใจวางนะความทุกข์หรืออารมณ์ทั้งหลายไออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยความโกรธความเศร้าความเสียใจความหงุดหงิดความรู้สึกผิดเนี่ยมันเกิดกับใครก็ทุกข์ทั้งนั้นนะไม่มีใครชอบนะแต่สังเกตม เรามักจะแบกมันเอาไว้แล้วไม่ได้แบ่งเเราหวงแหนมันด้วยเราพยายามปกป้องมันด้วยเวลาโกรธเราก็พยายามหาเหตุผลมาเพื่อสรรับสูญความโกรธแล้วใครจะมาแนะนำว่าให้อภัยเถอเราก็จะไม่ยอมแถมจะไม่พอใจคนที่แนะนำอย่างนั้นด้วยเวลาเศร้าเนี่ยเราก็หวงแหนความเศร้ามากใครจะชวนให้ไปไหนไม่ไปจะข อ, อนั่งเจ้าจุกเพื่อได้จมอยู่กับความเศร้า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 รู้ว่ามันไม่มีเรานะมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูป ก, กับนามนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันตัวเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้คลายความยึดมั่นในตัวกูของกูเพราะเห็นความจริงว่ามันไม่มีกูมันไม่มีเราไม่มีของเรานะเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะนแนะนำขั้นตอนว่าเนี่ยให้ดูกายว่า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 ขึ้นบันไดเวลาล้างจานนะให้พรมแดนแห่งของตัวรู้มันขยายไปจนกระทั่งตัวหลงไม่มีทิศไม่มีที่มั่นหรือไม่มีที่ตั้งนะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าก็จ ะ, ะเป็นอิสระจากความทีออย่ยงสิ้นเชิงแต่ถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเป็นอิสระจากความที่ยังสิ้นเชิงได้แต่ว่าก็ให้มันลดน้อยเบาบางนะด้วยการที่ เห็นความจริงรู้ความจริงแล้วก็พอสมควรแก่เวลาแล้วอ่ะเพราะไม่าก็เตรียมลาศี